ขอโมทนากับพวกเราในะตั้งใจที่จะฟังพระธรรมเจตนาของบุคคลผู้ผู้งดเว้นจากทุจริกทั้งหลายเนี่ยนะคือว่าถ้าถามว่าในระหว่างที่เจตนากับเจตสิกเขาเกิดร่วมกันไหมเกิดร่วมกันนะ เจตนาก็เกิดร่วมกันเจตสิกก็เกิดร่วมกันเพราะอยู่ในจิตดวงเดียวกันที่อยู่ในกุศลจิตนะที่ราจะถามว่าอะไรเป็นประธานอะไรอนุกูลอะไรคอยตามก็ต้องดูสถานะเพราะบางคราวเจตนาเป็นประธานบางคราวเจตสิกเป็นประธานอันนี้นะอันนี้ก็มาสังเกตอย่างนี้อย่างยกตัว อ, อย่างเช่นนะ อย่างเจตนาบอกว่าบางคราวเนี่ยเจตนาเนี่ยเป็นประธานบางคราวเจตนาเป็นประธานบางคราวเจตสิกศีลคือความไม่โลภความไม่โกรธปัญญามาเป็นประธานอย่างยกตัวอย่างนะถ้าเจตนาเป็นประธานก็คือเกิดขึ้นในรักเจตนาเป็นประธานที่ประกอบอยู่ในวิรัตบอกว่าเจตนาขวัญขวาย เช่นว่าเรามีเจตนาในการปฏิบัติอุปถาพ่อแม่โหเจตนาและก็เข้าใจเรื่องศีลด้วยนะมีการปฏิบัติมีการเช็ดกวาดปัดถูดูแลหุงข้าวซักผ้ากวาดเลยทำอะไรต่างๆจิตก็เป็นไปกุกศลอย่างต่อเนื่องดูแลพ่อแม่อย่างนี้นะหรือปฏิบัติคูบาจา์ปฏิบัติ เกี่ยวกับในเรื่องของงานพระศาสนาอะไรต่างๆตั้วแต่เนี่ยนะที่ทําไปตามลําดับหรือปรวีหวิหารลานเจดีดูแลลานโพดังๆแล้วนี่นะตั้งน้ําฉันน้ําใช้ทําด้วยกุศลและจิตแต่มีเจตนาในการประพฤติปฏิบัติคิดถึงว่าเป็นกุศลศีลเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาเลยเพราะพุทธเจ้ากล่าวไว้นะเราต้องการทําข้อวัดนี่เต็มเพื่อทํากุศลศีลระดับสูงให้เต็ม ในขณะที่มีเจตนามีความจงใจมีความตั้งใจเกิดขึ้นอย่างนั้นนะถามว่าตอนนั้นนะเจตสิกกอื่นก็เกิดนะไม่โลภด้วยไม่โกรธด้วยมีปัญญาด้วยแต่เขาไม่วิเศษแต่ตัวเจตนาคือจิตจดจ่อมุ่งมั่นเนะี่ยแรงกว่าเราจะอย่างเจตนาเลยเจึงอยู่ในฐานะเป็นอะไรเป็นประธานเจตสิกมี สัมมาวาจาสัมมากัมตาที่อาจจะเกิดเป็นบางครั้งนะแต่ว่าความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาก็อนุอนุกูลตามคล้อยตามอีกหลายะอย่างก็มีเจตนานําแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าเจตนาเป็นประธานไหมเนี่ยการายประพฤติวัดปฏิบัติต่างๆนี่เห็นชัดเช่นการปฏิบัติตั้งน้ําฉันน้ําชัยดูแลปัดกวาดเช็ดถูต้องถวายเป็นพุทธบูชาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย อันนั้นเป็นเจตนาศีล น, นะจิตที่คิดจะบูชาเมื่อถามบอกว่าเอาดอกไม้รูปเทียนไปบูชาในเป็นอามิสบูชาใช่ไหมเจตนาที่เป็นไปกับกุสลศีลเป็นต้นนั้นเป็นปฏิบัติบูชานะเข้าใจอย่างเราไปเข้าใจปฏิบัติบูชานั่งดับตา ด, ด, ดูลมอย่างเดียวใช่มนั่นแคบไปไหมเพราะปฏิบัติบูชาคือตอนนั้นศีลเกิดขึ้นในกระแสใจ แล้วก็เจตนาที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถ้าสมมติอย่างนี้นะถ้าศรัทธาโลดแล่นมุ่งมั่นเป็นใหญ่กว่าเจตนาตอนนั้นเจตสิกสีนเป็นประธานไนะอย่าลืมตอนนั้นนะเจตสิกสีนเป็นประธานแต่เจตนาถอยลงมาอยู่ในฐานะอนุกูลตามคอยตามอะไรอย่าง หรือปัญญาไปพิจารณาเห็นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตอนนึกซึ้งมากพิจารณาเข้าใจว่าโอ้เนี่ยสัตว์ทําชั่วได้รับผลชั่วทําดีได้รับผลดีนั้นกรรมนี่เป็นไปทั้งทิฏฐะทำมเมวเทเนียกรรมทําในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันก็มีทําในปัจจุบันนะพบให้ผลในภพบถัดไปก็มีให้ทํากรรมในปัจจุบันนี้ให้ผมผลในพบที่สามเป็นต้นไป จนกว่ายสัตว์นั้นจัดนิพพานก็มีพอพิจารณาอย่างนี้ก็รู้สึกอลากอายชั่วกลัวบาปกลัวกรรมนี่นะรักษากายกรรมวจีกรรมให้สุจริลใจก็สุดเิตด้วยแล้วก็มีความเข้าใจว่ากระทําทุกอย่างทุกเม็ดเนี่ยเป็นกุศลกรรมนะหลีกเลี่ยงจากอากุศลกรรมแม้ฟังพระธรรมอยู่ใช่ไหมในขณะนั่งฟังธรรมอยู่ก็ไม่ให้บาปเข้าแทรกใจเลย เพรู้ว่าถ้าบาปแทรกใจเมื่อไหร่เป็นบาปใช่ไหมแล้วเราจะไม่ทํากรรมชั่วต่อหน้าถ้าทำคําสอนของพระศ า, าสดาอย่างนี้เราปฏิบัติผิดต่อพระศาสดาแล้วเนี่ยนะพอเข้าใจเบ็ยดเสร็จถึงนี้ก็ระลึกปัญญามาอยู่ในฐานะเป็นประธานไหม เ, เจตสิกอื่นๆเป็นอะไร เ, เจตนาก็คอยตามก็าใหญ่ย่างบางคราวก็เจตนาวิเศษยิ่ง บางคาวเจตสิกแต่ละตัวก็วิเศษยิ่งบางคาวความไม่โลภเป็นเจตสิกศีลได้นะมาเป็นประธานได้ยกตัวอย่างเช่นพอเห็นสิ่งต่างๆนี้พุบก็ไม่มีจิตคิดเพ่งเล็งอยากได้เมื่อมาเห็นโยมบอกว่าเยะมว่าเอ๋กำลังนั่งง่วงสมมุตินะข้อเท็จจริงอาจจะไม่ง่วงก็ได้เยมะไหมสมมุตินี่นะ สมมุติเห็นอย่างนี้นะอามาก็มีความเข้าใจพิจารณาโอ้เนี่ยสมมุติว่าเอ้ยท่านผู้นี้กํลาลังนั่งนั่งทําบาปอามาก็ต้องมาพิจารณาโอ้เนี่ยนะเพราะเขาเพียร พ, นะ พ, พยายามเต็มที่นะเนี่ยหวัง่าทั้งทั้งที่เพียรพยายามเต็มที่ก็ด้วยบาปอคุศลธรรมลามกเนี่ยด้วยที่ ที่มันฝังแน่นอยู่ในกรมลรสันดานของสัตว์ทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันก็มาเล่นงานผีเผือกันได้แล้วก็ยังไม่รู้ตัวเลยเนี่ยก็ปล่อยให้บาปเกิดขึ้นแล้วแล้วเล่าแล้วก็ไม่ทําอารพธาตุถูกไนมท่ามาก็พิจารณาเนี่ยเนี่ยแท้ที่จริงอะ่ะไม่ทําอารพธาตคือการที่ที่ใส่ใจในความเพียรเริ่มต้นเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวถีนมิท่าเนี่ย เวลามันเกิดขึ้นมามันจะไปตัดรอนอะไรตัดรอนวิริยะมันตัดรอนวิริยะทําให้กุศลไม่เกิดขึ้นในกระแสโชนะมันไปปิดกั้นสิเนี่ยแต่ทําให้อกุศลไหลแทนแล้วก็ไหลเป็นพักๆแล้วก็ลงพวังยาวๆเนี่ยนะแล้วจิตก็อ่อนแอคือมันหักล้านความเพียรด้วย หากลานกุศลชวนะด้วยพอรู้อย่างนี้เบสเสร็จมาก็มาไข ค, ควรเนอะพิจารณาโอ้ยอย่าหนพลาดไม่รู้นะเนี่ยเพระท่านคนนี้ไม่ทราบนะว่าตอนนี้กำลังถูกฆ่าศึกคือถีนามิธาโจมตีแล้วถีนามิธาเป็นหนึ่งในเสนามานด้วยโนี่ยกำลังโดนกองทัพมารเล่นอย่างขนาดหนักแล้ว ท่านไม่รู้ว่าไมไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์แห่งการลบพุ่งถ้าหากความคิดของมหาบุรุษท่านจะคิดบอกว่าดูก่อนมานผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของคนบะมาทเราจะสู้กับท่านเราจะไม่ยอมแพ้ถ้าชีวิตของเราจะตายก็ขอตายอยู่ในสนามรบ คือตายอยู่ในระหว่างการสู้รบพุ่งดีกว่าการมีชีวิตอยู่แล้วแพ้แพ้แล้วมีชีวิตอยู่ประเสริฐอะไรอยู่างเ้ยพอพิจารณาเนี้ออกมาก็ได้ข้อคิดมีปัญญาออกมาก็เริ่มวนะเอ๊ะจะต้องมาชําระศีนนะตอนนี้ศีนยังไม่แข็งแรงเราดูท่านผู้นี้เป็นตัวอย่างมาก็มาใคร่ควรตัวเองแล้วบอกว่าต่อไปเนี่ยเรายังไม่พ้นนะ สถานะแบบนี้ต่อไปเราจะต้องรีบชำระกุศลศีในแข็งแรงและทั้งกายกรรมวิจีกรรมธรรมโนกรรมให้หมดจดแล้วป้องกันนะป้องกันในเสนามานข้อนี้ไอ้ธีนวิทามันจะมาหักลานประโยชน์ของเราเนี่ยในการที่มาทำลายวิริยะคือความเพียรในการเจริญกุศลให้เราเสียหายพอคิดอย่างนี้ได้เบสเ็จได้ข้อคิดไหมนี่ปัญญาเกิดไหมนี่เขาเรียกอะไรเป็นประธาน ปัญญาเป็นประธานของเจตนาศีลนี่เจตสิกศีลมาเป็นประธานอย่างนี้เป็นต้นถ้าโลภะคือความไม่โลภพอไปพิจารณาเบสเสร็จว่าเห็นสิ่งนี้ปุ๊บนะเห็นตัวนี้เบเสร็จปุ๊บนะพอเวพอเกิดความรู้สึกว่าเอ็มไม่ได้แล้ว ถ้าเรามองอย่าี้เกิดชอบแล้วเนี่ยเกิดชอบแล้วถ้าชอบแล้วต่อไปมันจะต้องมีความอยากได้มาเป็นของตนใช่ไถ้ามีความอยากได้มาของมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราจากเสีย จ, สสจะเสียศีลจะเสียศีลแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเลยศีลจะเสียโดยการนั่งมองของคนอื่นเนี่ยก็เริ่มวิจัยแล้วว่าเนี่ยเห็นไมถ้าไม่วิจัยไม่พิจารณาเนะ ว่าศีลสาคัญกว่าทรัพย์ในชั้นของคำสอนท่านจึงบอกว่าพระเจ้าตรัสไว้บอกว่าวิสุทธากรุณายานังพุทธังสัมพุทธาปูชิตังธรรมังสัตธรรมมสัมภูตังนัตวาสังคังนิรังคณาังที่ท่านใช้คำว่ากว่าวิสุทธากรุณายานัง พุทธังสัมพุทธพูชิตังดัมังสัตธรรมสัมบูตังนตวาสังฆนิรังคนังบอกว่าข้าพเจ้าข อ, อนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระปัญญาที่คุณทรงพระบริสุทธิ์ที่คุณและทรงพระมหากรุณาที่คุณ พระธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วพระสงฆ์ที่เกิดจากพระอกเกิดจากพระโอทของพทธเจ้าเกิดแต่อกของพระาศาสดาที่พระธรรมมณีระมิดที่เกิดขึ้นมาดีแล้วแต่พระสัต ร, รมนั้นผู้ทรงมีกิเลสเพียงดำเนินไปปราศจากแล้วตรงนี้หมายความบอกว่า พระคุณของพระบรมศาสดานั้นมีอะไรมีพระบริสุทธิ์พระทรงพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณโดยเฉพาะในชั้นของกุศลศีลที่เราท่านทั้งหลายรักษากันเนี่ยนะที่เรามาศึกษาและมาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยชั้นของกุศลศีลเนี่ยพระบรมศาสดามีพระมหากรุณาที่คุณในเราท่านทั้งหลาย เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามีมีกุศลศีลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกระแสของชีวิตแล้วกระแสของชีวิตของสัตว์เหล่านั้นเมื่อลมหายใจขาดสัตว์เหล่านั้นก็จะไปเกลื่อนกล่นอยู่ในอบายภัยบางท่านก็ไปเกิดอยู่เป็นสัตว์นรกบางท่านก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบางท่านก็เกิดเป็นเปรตและอสุรากายเป็นต้นหรือกลุ่มที่รักษาศีลไม่ดี กรรมที่หลังจากส่งผลเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยในเศษของกรรมนั้นก็ทำให้สัตว์นั้นเกิดเป็นมนุษย์ที่บ้าใบบอดหนววพิกลพิการหรือมีสภาพร่างกายที่น่าทุรักทุเลหน้าการุณาอย่างยิ่งเมื่อพระบรมศา ส, าสดาทรงมีพระปัญญาดีเห็นเหล่าสัตว์ที่กำลังกระเสือกกระสนดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดเพราะความทุศีอย่างนี้แล้ว พระ อ, องค์ก็มีพระมหากรุณาธิคุณก็ประทานกุศลศีลฝากไว้ให้กับพุทธบริษัทว่านี่ไงทรัพย์สมบัติของพ่อที่ฝากไว้ให้ลูกพุทธบริษัททั้ง4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาเหมือนลูกเหมือนลูกเหมือนลูกหญิงลูกชายของท่านนั่นแหละ ทีนี้ว่าลูกบางท่านลูกบางคนเกิดมาเป็นคนประมาทมัวเมาใช่ไหมประมาทมัวเมาก็คือว่าบางกลุ่มไม่มีฉันท้าอย่างแรงกล้าบางกลุ่มก็ไม่มีวิริยะอย่างแรงกล้าบางกลุ่มไม่มีจิตจดจ่ออย่างแรงกล้าบางกลุ่มก็ไม่มีปัญญาที่จะไปสามารถเจาะทะลุทะลวงเอาทรัพย์สมบัติของพ่อที่อยู่ในดินเป็นต้นได้ ก็ได้แต่ทรัพย์สมบัติของพ่อที่อยู่บนดินนี่แหละที่ได้อย่างผิวเผินได้แค่ในชั้นของกุศลศีลบ้างในชั้นของพุทธวจนะบ้างเล็กๆน้อยๆไม่สามารถดื่มด่ำจนถึงจิตตวิสุท ธ, ธิและก็วิสุท ธ, ธิที่เหลือคือปัญญาวิสุท ธ, ธิเข้าถึงความบริสุทธิหมดจดแล้วก็ชาระกิเลสชำระ ก, กิเลสหมดกิเลสจากกระแสใจได้ ไม่สามารถจะได้อลิยทรั์อันสูงสุดคือโลกุตลารัพ์ก็เลยมาได้รัพ์ธรรมดาที่พ่อปาเขาไว้ ไ, ไแต่บางกลุ่มหนักไปกว่า น, นั้นอีกเป็นลูกที่ประมาทมัวเมาเมื่อใช้ซั์เบ็ดเสร็จหมดแล้วก็กลายเป็นคนประมาททุสีลไม่ยอมรักษาแมก้กระทั่งศีลแล้วแต่เนี้ย เมื่อไม่ยอมรักษาศีลแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีศีลหล่อเลี้ยงกระแสของชีวิตพอลมหายใจขาดมีชีวิตอยู่ก็กลายเป็นขอทานก็เหมือนขอทานเนี่ยเหมือนคนบางคนในโลกนี้เกิดมาประมาทก็เป็นขอทานไปวันวันเนี่ยเกรณีในลักษณะอย่างนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงคนประมาทฉะนั้นถ้าเราจะถึงดูถึงบริษัทของพระผู้พุทธเจ้าเนี่ยถ้าจําแนกเป็น6ประเภท ประเภทที่กลุ่มมีฉันท่าแรง ก, ก ล, ล้ากลุ่มเหล่านี้ก็จะได้อริยทรัพย์ของพ่อที่ฝังไว้ในดินเพราะขุดเพราะเพียรพยายามมีความรักความปรารถนาไม่ยอมหยุดเมื่อไม่ได้อริยทรัพย์เพราะความรักในสมบัติของพ่อที่ยังเหลืออยู่บางกลุ่มก็มีวิริยะอย่างแรงกล้ามีความเพียรอย่างมุ่งมั่นไม่ยอมหยุดนะถ้าไม่ได้ถึงถึงอริยทรัพย์ที่สูงสุดที่พ่อฝังไว้ บางกลุ่มก็มีจิตจดจ่ออย่างแรงกล้าจิตกระมุ่งตรงไม่พอใจแค่ศีลไม่พอใจแค่ทรัพย์แค่เนี้ยมุ่งมั่นที่จะทรัพย์ที่สูงสุดไปบางกลุ่มก็มีปัญญาไขควรวิเคราะห์เจาะลึกในสุดจริงก็ได้แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีความมีศรัทธาก็อ่อนความเพียรวิรยิยะสติสมาธิปัญญากอ่อนๆแต่ก็ยังรักษาในชั้นของศีลได้ ส่วนนี้ก็ยังเชื่อประมาทอยู่เพราะไม่เร่งรีบในการกระทำความเพียรไปถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเป็นต้นส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็พากันละเลยทั้งๆที่เป็นลูกชายของลูกของพระพุทธเจ้านี่แหละก็พากันละเลยไม่ใส่ใจในกุศลของที่พ่อปากเอาไว้เป็นต้นในส่วนจริงก็อยู่อย่างคนอนาถาไปถ้าจัดหนึ่งสสเราจะเป็นลูกคนที่หนึ่งสี่หหรือ6 ใช่ไมก็ไปพิจารณาไปวิเคราะห์ไปไขขวนหรือไปพิจารณาเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วจะได้เห็นคุณของภะาษาสดาเนะจะได้นอบน้อมผู้ได้เจ้าได้ถูกต้องทีนี้ในผ้ามหากรุณาที่คุณเนี่ยนะที่พระบรมศาสดาตรัสไว้เนี่ยนะพุทธคุณทั้งหมดมีพ้ามหากรุณาภาาเนี่ยซึ่งนับประมาณไม่ได้เพราะเหตุว่า ก็จะคุณที่เหลือมีพระปรุณานั้นเป็นมูลถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เห็นคุณของพระศาสดานะว่าคุณของพระศาสดาที่ประทานกุโสราศี น, นี่นะให้เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติก็ได้เพียรพยายามเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าอย่างนี้พอพูดถึงในเรื่องของศีลมาเทียบเคียงตรงนี้ก็คือว่า พูดถึงในเรื่องของสังวรศีลเพราะว่าในด้านของเจตนาศีล น, นะที่ได้กล่าวไปก็คือว่าเจตนาศีลได้กล่าวไปแล้วได้แก่กุศลกรรมบทในลําดับที่กล่าวบอกว่าทศจริตทั้งหลายเกินงดเว้นจากการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการมเป็นต้นเหล่านี้นะอันนั้นเป็นไปในส่วนของเจตนาศีลส่วนความไม่โลภความไม่โกรธและสัมมาทิฏฐิ ที่ตรัสไว้โดยในที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายกระทากรรมพิสุละซึ่งอภิชามีใจปราศจากอภิชาอยู่ดังนี้เป็นต้นชื่อว่าเจรดศิกศีลสัตว์ทั้งหลายกระทากรรมมีกามเมสุมิชฌาจารและก็มีปานาติบาตเป็นต้นด้วยอำนาจแห่งอภิชาคือความโลภและพยาบาทคือความโกรธเป็นเหตุ กระทำซึ่งกรรมกาเมยสมิชฌาจารและปาณาติบาตเป็นต้นด้วยอํานาจแห่งมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายเพราเห็นผิดนั่นแหละจึงกระทากรรมก็ทํามีอนาพิชาคือความไม่โลภอัพยาบาทคือความไม่โกรธสัมมาทิฏฐิคือกรรมแลกตาสัมมาทิฏฐิที่ไปเข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเนี่ย เป็นธรรมที่ประหารอากุศลกามโอิสเหล่านี้จึงชื่อว่าเป็นศีลประหารยังไงความไม่โลภนไหมความไม่โลภ ก, ก็หมายความว่าความไม่โลภความไม่โกรธและความเห็นที่ถูกต้องเป็นธรรมที่ประหารเนี่ประหารการประหารการฆ่าสัตรูก็หมายความว่าเมื่อไม่โลภเห็นไหม ความไม่โลภความไม่โกรธหรือมีปัญญาเนี่ยเมื่อไปเข้าใจดีแล้วว่าเมื่อไปเข้าใจความไม่ความไม่โลภความไม่โกรธหรือปัญญาเกิดขึ้นในใจแล้วโดยเฉพาะถ้าขับเน้นที่ปัญญาก็าจะเข้าใจว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนอย่างเงี้ยพอไปเข้าใจอย่างนี้บอกว่าสัตว์ทั้งหลายจึงไม่ควรผูกเวรไม่ควรกระทํากรรมพอไปพิจารณาเข้าใจกรรมและผลของกรรมอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็ ตัวความเข้าใจตัวปัญญาก็เลยมาตัดรอนทำให้เกิดความเข้าใจก็เลยไม่ฆ่าสัตว์เพราะเห็นว่ากรรมชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นการเบียดเบียนตนเองด้วยแล้วก็เบียดเบียนบุคคลอื่นด้วยพอพิจารณาอย่างนี้เบียดเสร็จนั่นนะความเข้าใจอย่างนั้นก็เป็นกรรมตะกตาสมัยก็เลยงดเว้นจากการฆ่าพองดเว้นจากการฆ่าใจก็เป็นไปกับกุศลใช่ไหม ใจก็เป็นไปกับเมตตาใจก็เป็นไปกับความไม่โลภใจก็เป็นไปกับความไม่โกรธแล้วก็มีความรักความปรารถนาดีความเอื้ออทรก็มีปัญญานำหน้าว่าเออเราไม่ควรจะผูกเวรไม่ควรจะไปฆ่าไม่ควรจะไปลักไม่ควรจะไปพืชผิดในการมไม่ควรจะพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อเลยและไม่ควรไปโลภในทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นไม่ควรไปโกรธสัตว์อื่น และไม่ควรไปเข้าใจผิดเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนของตนอยู่แล้วเนี่ยมีสมบัติของตนเองอยู่แล้วเราไม่ใช่เป็นเจ้ากรรมอะไรเนี่ยที่เราจะไปจัดแจงกรรมของคนคนอื่นเขาใช่ไหมเราบอกเออกรรมไม่ส่งผลดีนักเราจัดการแทนกรรมซะเลยเนี่ยเราไปคิดอย่างนี้คือคนคิดไม่เป็นใช่ไหมคนขาดปัญญาฉะนั้นความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาเล่ะเป็นตัวเกื้อกูลกายให้สะอาด เกื้อกูลวาจาให้สะอาดแล้วเกื้อกูลจิตใจให้สะอาดกายวาจาใจสะอาดกุศลกรรมบดเลยแข็งแรงฉะนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลหกุศลกรรมบดสิบก็แข็งแรงด้วยเกื้อความเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องถามว่าเวลาเจริญกุศลในลักษณะอย่างนี้ถามว่าเรา จ, าเจรเาะเจริญเวลาไหนจะเจริญเวลาไหน นั้นถ้ามีความเข้าใจเนี่ยมันจะสามารถเจริญได้ทุกที่เพียงแต่ว่าเราจะคิดอย่างไรให้ต่อเนื่องคิดยังไงให้ต่อเนื่องเมื่อเราหลังจากฟังทำแล้วแล้วเราจะต้องมีชีวิตอย่างเดิมจะทำยังไงเราจะต้องไปประกอบอาชีพการงานจะต้องไปขับรถจะต้องไปสนทนา ปาาใสพูดจาซึ่งกันและกันนั้นต่อไปสติสัมปชัญญะจะต้องแข็งแรงโดยเฉพาะอะไรปัญญาต้องขับเน้นปัญญาให้ชัดเอาปัญญามีอะไรเป็นเหตุใกล้มีโยนิโสมนัสิการมีความฉลาดคิดเป็นเหตุใกล้เอาความฉลาดคิดคือคิดยังไงคิดว่าสัตว์ทั้งหลายเขากำลังกระทากรรมและเราก็กาลังกระทำกรรมอยู่ เาเช่ ake, นยังไงเขาเคลื่อนไหวกายนันกายกรรมเขากาลังทำแล้วนั้นเขาต้องมีเจตนาในการเคล <c oughs> ื่อนไหวสิเขาจึงเคลื่อนไหวกายได้ใช่ไหมจากนั้นกายกรรมเขากาลังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ตลอดเวลาไหมเคลื่อนไหวอยู่แล้วเขากำลังพูดตอนนั้นเขากาลังกล่าวว่าจีกรรมอยู่แล้วแล้วเขากำลังคิดไหมคิดทุกตลอดเลยก็กาลังเป็นมโนกรรมอยู่ แต่เปลียนเพียงแต่ว่าสัตว์นั้นจะทํากรรมหรือเป็นกุศลกรรมเรื่องกุศลกรรมเท่านั้นเองไม่มีเวลาไหนเลยที่กรรมไม่เดินเข้าใจยังนี่เราก็เริ่มเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนมุมคิดเปลี่ยนวิธีคิดด้วยการที่ว่าจิตนั้นเคยปล่อยแบบสเปสปะต่อไปไม่ปล่อยแล้ว ต่อไปก็เริ่มมาพิจารณาใช่ไหมวิธีคิดบางทีต้องฝึกให้เป็นนะอย่างสมมติว่าเห็นคนกำลังที่เขาขับรถบางคนเขาก็เอออยวายด่าไปใช่ไงรถติดก็ดา่าแหมวันนี้ทำไมมันติดทั้งวันเลยมันเป็นไหนมันมันไม่ยอมเปิดไฟแดงสักทีส ม, มมตินะไอขับรถก็ขับปาก็ด่าไปอย่างนี้สม ม, มตินะ เราก็เหยียดเงินไป็เสร็จแล้วเรากำลังเราคิดอะไรเป็นความเป็นโทสะไหมเป็นโทสะตอนนั้นก็ทํากุศลกรรมและอกุศลกรรมใจเป็นยังไงเป็นมโนโทุจริตไหมกายที่กําลังบีบแตะป๊ป๊บแปๆเป็นอะไรแล้ววาจาพูดออกมาพรรูดวัสดออกมาเป็นอะไรไม้มตอนนี้ทุจริตกาลังเดินตลอดเวลาไหม โอ้ยเขากาลังทำกรรมชั่วอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้เราพ้นหรือยังยังต้องระวังไมต้องระวังก็มารสิการว่าเราจกไม่เป็นอย่างนี้ขอให้เราอย่าได้มีความคิดอย่าได้มีการกระทำอย่าได้มีคำพูดอย่างนี้เลยแล้วเราควรกรุณาเขาไหมควรกรุณาเขาเป็นยังไงเปิดเปิดกระจกไปแล้วก็บอกเขาไม่ใช่นะใช่ไหม มาจเปิดกระจกไปคนรับไปโกดคายเดี๋ยวเขาก็จะหันมาโกดคุณนั่นแหละเพยงทุกยุเลยใช่ตรงนี้ก็ต้องบอกเขาเออต้องต้องอย่าไปเกี่ยวข้องเละเพียงแต่ว่าเราส่งใจเขาบอกว่าเออบอกว่าเราส่งใจดีเพ่ให้อาคาเขาก็ได้ใช่ไหม ขอให้เขาระงับความโกรธอย่างเร็วพันเธอเนี่ติดน้อมไปนี่น้อมจิตให้เขาได้เลยว่าหน้าการุณามากเพราะว่าใจของเขาก็เป็นมโนทุจริตกายกรรมก็เป็นกายทุจริตวาจาก็เป็นวาจีทุจริตเขาไม่รู้หรอว่าในขณะที่เขาทํากายทุจริตวาจีทุจริต และมโนโทวจริตนั้นเขาเบียดเบียนกระแสชีวิตของตนเองในปัจจุบันด้วยแล้วก็จะเบียดเบียนกระแสชีวิตของตนเองในการต่อไปด้วยโอ้ยอัธยาศัยของเขาก็จะกลายเป็นคนขี้โกรธผูกโกรธมากโกรธทั้งความโกรธของเขาก็จะฝังแน่นในกระแสใจกลับไปบ้านเขาก็จะไปเครียดกับลูกกับเมียอะไรต่างๆะอะไรอีกเยอะแยะหมดสิ้นะแล้วมาพิจรารณาโอ้ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ที่เป็นอย่างไรต่างๆตนเองเป็นคนลิขิดตัวเองแท้ๆโดยความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ศึกษาคําสอนพระเจ้าข้าพเจ้าเห็นโทษแล้วของการไม่เห็นคุณของภาษาสดานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะเข้าเฝ้าผู้ได้เจ้าทุกวันมีพระธรรมคําสอนของพระเจ้าหล่อเลี้ยงจิตใจตลอดเวลาคิดอย่างนี้ดีไหมนี่ฮะเราก็คิดให้เป็นอย่างนี้ ถ้าตรึกคิดในลักษณะอย่างนี้ใจก็เป็นไปกับขุศลและนี่เขาเรียกปัญญาทํางานไหมปัญญาทํางานศรัท ธ, ธาทํางานแล้วก็เกื้อกูลกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมให้เป็นไปกับขุศลสุจริตก็เดินอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็ไม่ประมาทมัวเมาเพียนพยายามใหค้ควรอย่างต่อเนื่องเลยทีเนี้ยใจก็เป็นใจดีอ่ะนะเข้าในะเข้าใครเห็นก็เอ๋อทําไมเปลี่ยนไปใช่ไหม แต่ก่อนกลายเป็นคนหน้าดําข่ำเครียด แ, แต่ตอนนี้ทําไมดูยิ้มแย้มผ่องใสจิตใจเบิกบานเนี่ยโอ้โหเราเฝ้าพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเลยเก็บอกเขาเงี้ยเพราะเขาเห็นแล้วเขาเห็นอะไรเห็นศาสนาคือสีละที่เป็นตัวศาสนาไงเป็นความงามเกิดขึ้นในกระแสใจแล้วแล้วก็ออกมาทางกายกรรมแลว้ววจีกรรมคนใกล้ชิดเห็นก็เริ่มอยากจะถามแล้วใช่ไหม ถามแล้วบอกว่าเออทำไมคุณทํำยังไงคุณไปกินยาอะไรทําไมผิวพรรณคุณดีกว่าเดิมเยอะคนบอกนี่ไงธรรมโอสถของพระบรมศาสดาไงเราไข่ควรคแบบนี้เบ็ดเสร็จแล้วศึกษาพระธรรมคําสอนอย่างเนี้ยเราจึงได้ความสุขจากการดื่มด่ารสพระธรรมของพระบรมศาสดาแล้วเอามาใช้ในกระแสชีวิตได้จริงแต่เราก็ไม่ติดอยู่แค่นั้นเข้าใจยัง เพราะเราต้องการมุ่งมั่นที่จะเพียนพยายามให้สูงยิ่งๆิ่งขึ้นไปเนี่ยเพราะเราต้องการพัฒนาเจริญไงต้องการเจริญกุศลศีลให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ต้องการติดอยู่แค่นี้นะไม่ใช่ต้องการติดอยู่เพียงศีลชั้นขั้นพื้นฐานเนี่ยแต่ถ้าไม่มีชั้นพื้นฐานระดับสูงเกิดได้ไหมเนี่เกิดไม่ได้ตรงนี้พอมีความเข้าใจเบ็ดเสร็จก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ย กราทำกรรมเป็นต้นเหล่านี้มีการเมสุมิชฌาจารมีปานาธิบาตมีการฆ่าสัตว์รักทรัรพยพฤติผิดในการพูดเทศส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอื่อมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเหล่านี้นะเป็นเหตุที่เนี่ยเป็นเหตุก็เลยทำกรรมเลยทำกรรมชั่วออกมาททางกายบาั่งทางวาจาบาั่งทางใจบ้างสัตว์เหล่านี้ประกอบอกุศลกรรมบทเหล่านี้นะพอพิจารณาอย่างนี้ตัวศีลทั้งหลายก็มาตัดรอน ความทุศีนได้ทุกครั้งนักเข้านักเข้าเนี่ยเราก็ประกาศได้เลยไม่ให้ความไม่ให้ทุจริตทั้งหลายไหลเข้าสู่ทางทวารตาเลยก็เห็นปุ๊บเนี่ยทุจริตไม่เข้ามาบางคนเนี่ยอาศัยแค่เห็นนะแค่เห็นคนอื่นเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นพอเห็นคนอื่นทําชั่วปุ๊บแหมเห็นปุ๊บแล้วโกรธเลยฮนะ พอโกรดขึ้นมาไปเสร็จไม่ใช่อยู่แค่มโนโทุจริตแล้วกายออกมาเป็นกายทุจริตตามเขาไหมหรือว่าจีก็กาวด่ากล่นตามเขาไปด้วยหไหมเหมือนบางคนแหมหวังอะไรเขาไว้เนี่ยเอาเถอะบางคนไปหวังกับหวยเนี่ยบอกโอ้ยนีมันจะต้องออกอย่างนี้แน่นอนเนี่ยนะแต่ถ้าชาวพุดเขาไม่เล่นใช่ไหม ยน้มก็เปล่าไม่รู้นก็พอไม่ได้พอไม่เป็นอย่างที่ใจก็เรียบร้อยเลยนีนะเข้าก็โกรธเพราะโกรธออกมาทุจริตก็ออกพุลสวาดก็ออกทั้งพูดเทศสยดเพื่อเจือออกมาเต็มไป่มอเห็นไหมว่าเห็นไหมแค่เขียนอย่างเดียวบางครั้งแป่แค่ความโลภเสียศีลเลย เสียศีลไม่พอนะถ้าเกิดความโรบเบียเศษเนี่ยเป็นเหตุแห่งการพูดเท็จเลยเป็นเหตุการพูดส่อเสียดด้วยพูดคำหยาบเพ้อเจ้อด้วยนะารับนะครับก็ข่าสารรักทรัพย์ะพฤ่อพิจารา